อพาร์ตเมนหลอนห้องข้างๆสุขุมวิท50สัมผัสสยองเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ5ปีก่อนสมัยที่ผมเรียนจบมาใหม่ๆผมได้ทำงานที่กรุงเทพโดยงานที่ทำนี้ จะยู่แถวๆพร้อมพงเพราะมีเพื่อนแนะนำไว้ให้เพื่อนบอกกับผมว่าให้เริ่มงานให้ไวที่สุดผมจึงได้หาอาพาร์ตเมนต์ที่ใกล้และเดินทางสะดวกผมหาผ่านทางอินเทอร์เน็ตและได้ไปเจอกับเว็บหนึ่งซึ่งมีห้องว่างให้เช่า อ, อยู่ในซอยสุขุมวิท50ผมจึงได้โทรไปสอบถามกับทางอาพาร์ตเมนต์ก็ได้ความว่าราคาค่าเช่าห้อง 2,500 บาทต่อเดือน วางมัดจำ 2,500 บาทก็เข้าอยู่ได้เลยผมจึงรีบโอนค่ามัดจำไปล่วงหน้าและแจ้งกับทางอพาร์ตเมนต์ว่าอีก2วันจะเข้าไปพักอาศัยวันแรกที่ผมเข้ามาพักก็เห็นสภาพของอพาร์ตเมนต์นี้ซึ่งจะมีทั้งหมด10ชั้นโดยชั้นที่10จะเป็นชั้นดาดฟ้ามีห้องฟิตเนสและสระว่ายน้ำที่ร้างมานานมากแล้วอาคารของอพาร์ตเมนต์ก็ดูเก่า ภายในจะมีลิฟต์อยู่สองตัวอายุของอาพาร์ตเมนต์นี้น่าจะประมาณ 15-20 ปีแล้วห้องที่ผมได้เหลือเป็นห้องสุดท้ายแล้วหลังจากที่ผมจัดการเรื่องสัญญาเสร็จเรียบร้อยผมก็ขนของเข้าไปที่ห้องพักโดยผมจะอยู่ที่ชั้นเจอยู่เกือบสุดทางเดินทางฝั่งขวาจะมีห้องพักอีกหนึ่งห้องกั้นเอาไว้และทางด้านซ้ายจะเป็นบันไดหนีไฟจึงทาให้ผม มีเพื่อนข้างห้องเพียงห้องเดียวเมื่อเข้าไปภายในห้องก็เห็นว่าสภาพภายในห้องดูเก่าพอสมควรแต่ห้องกว้างขวางมีเฟอร์นิเจอร์ครบคันเหมาะสำหรับอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวด้วยการที่ผมเป็นคนไม่เรื่องมากห้องเก่าหรือใหม่ผมก็ไม่สนใจอะไรขอแค่มีที่พักก็เพียงพอแล้วผมจึงได้เข้าไปพักเพียงคนเดียวตามที่ได้ตั้งใจไว้ ช่วงแรกๆที่ผมพักนั้นมันก็ปกติดีจะมีก็เพียงแต่เสียงตึงตังมาจากห้องข้างๆที่มันดังมาจากผนังกั้นห้องเพียงเท่านั้นแต่พออยู่ไปสักระยะหนึ่งประมาณเดือนที่สามผมเริ่มรู้สึกแปลกๆเพราะว่าผมอยู่มาตั้งนานแล้วแต่ผมไม่เคยเห็นหน้าของเพื่อนข้างห้องเลยได้ยินแต่เสียงตึงตังแทบทุกวันแล้วก็ไม่เคยได้ยินเสียงอื่นเลย แม้กระทั่งเสียงเปิดปิดประตูก็ตามแล้วเสียงที่ได้ยินนี้ก็ได้ยินเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นแต่ผมก็ไม่คิดอะไรมากเพียงแต่สงสัยว่ามันแปลกๆนะแล้วหลังจากที่ผมเริ่มสงสัยก็เริ่มมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆเกิดขึ้นอีกวันหนึ่งขณะที่ผมจะออกไปร้านสะดวกซื้อตอนนั้นเป็นเวลาประมาณห้าทุ่มแล้วผมเดินไปที่ลิฟ และกดไปที่ชั้นล่างจากนั้นลิฟต์ก็ค่อยๆขึ้นมาจอดที่ชั้นเจ็ดผมก็เดินเข้าไปในลิฟต์ตามปกติและผมก็กดไปที่ชั้นหนึ่งตัวเลขก็แสดงเป็นชั้นหนึ่งแต่ลิฟต์มันกลับขึ้นไปที่ชั้นสิบซึ่งชั้นนี้เป็นชั้นที่ร้างไม่มีไฟพอประตูลิฟต์เปิดมาก็มีเพียงแต่แสงไฟจากลิฟต์เท่านั้นตอนนั้นผมตกใจมาก เพราะความมืดตรงหน้านั้นผมมองไม่เห็นอะไรเลยผมจึงรีบกดลิฟต์ให้ลงไปที่ชั้นหนึ่งทันทีกดยำๆซ้ำๆอยากจะรีบลงไปให้เร็วที่สุดหลังจากที่ลิฟต์ลงมาถึงชั้นล่างแล้วตอนนั้นผมคิดเพียงแต่ว่าลิฟต์น่าจะเสียแน่ๆก็พยายามทำใจให้สบายแล้วหลังจากวันนั้นเหตุการณ์ลิฟต์ขึ้นไปผิดชั้นก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อย และมักจะเป็นเฉพาะเวลากลางคืนด้วยส่วนเสียงตึงตังข้างห้องก็ยังคงดังอยู่แทบทุกวันและผมก็ยังไม่เคยเห็นหน้าของเพื่อนข้างห้องอีกตามเคยหลังจากนั้นความแปลกใจก็เริ่มเปลี่ยนเป็นความหลอนวันหนึ่งขณะที่ผมกลับจากทำงานและกำลังจะเดินเข้าตึกโดยตึกนี้ต้องใช้คีย์การ์ดเพื่อผ่านเข้าออกตอนที่ผมกาลังจะเข้าตึกนั้น ก็มีพี่คนหนึ่งทักผมขึ้นมาเอาน้องวันนี้กลับมาคนเดียวเหรอแฟนไปไหนล่ะไม่เห็นเลยเมื่อได้ยินดังนัง้นผมถึงกับงงไปเลยทีเดียวและตอบกลับไปว่าผมอยู่ห้องคนเดียวครับไม่เคยพาใครมาห้องเลยพี่คนนั้นก็ทำหน้างงๆและก็บอกว่าคงจะจำผิดคนแล้วผมก็ได้แต่ยิ้มและคิดว่าพี่เขาคงจะจำผิดคนจริงๆ หลังจากนั้นตอนผมกลับจากทำงานผมก็ได้เจอพี่คนเดิมอีกเขาทักผมเหมือนเดิมอีกแล้วแต่ผมก็ตอบเขาแบบเดิมเช่นกันคราวนี้พี่เขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นตัวเท่าไหร่ของน้องเนี่ยแหละตัวเล็กๆผมสั้นๆเดินตามหลังน้องมาแทบทุกครั้งเลยพอน้องเอาคี ก, การ์ดมาเปิดประตูเขาก็จะรอข้างหลังน้องตลอดครั้งนี้ผมว่ามันเริ่มแปลกๆแล้ว พี่เขาคงจำไม่ผิดคนแน่ๆผมก็ได้แต่ยิ้มและก็เดินผ่านไปอยู่ๆก็นึกพี่เลนขึ้นมาแล้วผมก็นึกในใจว่าถ้าคุณมีอยู่จริงคุณออกมาให้เห็นหน่อยอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นใครตอนที่ผมคิดอยู่นั้นผมกำลังจะขึ้นลิฟต์พอดีเชื่อไหมว่าหลังจากที่ผมคิดเสร็จและเดินเข้าไปในลิฟต์แล้วลิฟต์ที่ผมจะขึ้นมันไม่ยอมปิดประตู มันค้างอยู่แบบนั้นนานมากมันทำให้ผมเริ่มเชื่อแล้วว่าเขามีอยู่จริงจากนั้นผมก็ยกมือไหว้และบอกว่าผมขอโทษครับไม่ลบหลู่แล้วหลังจะพูดจบลิฟต์ก็ค่อยๆปิดลงแล้วก็พาไปชั้นเจ็ดตามปกติพอผมเข้ามาในห้องก็มานั่งคิดว่ามันคืออะไรกันแน่ในใจก็เชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งแต่ก็ยังอยากรู้เหมือนกันว่า มันคืออะไรเช้าวันต่อมาผมจะต้องไปทำงานแต่วันนี้ผมตื่นสายก็เลยนึกสนุกขึ้นมาผมบอกว่าถ้าคุณมีอยู่จริงตอนที่ผมไม่ถึงหน้าลิปผมขอให้ลิปขึ้นมาจอดที่หน้าผมเลยหลังจากนั้นผมก็รีบออกไปขึ้นลิปและมันก็เป็นอย่างที่คิดไว้ไม่มีผิดลิปกํกำลังขึ้นมาผมก็ยืนรอดูว่าจะหยุดที่ชั้นไหนแล้วลิฟ ก็มาหยุดอยู่ที่ชั้นเจ็ซึ่งเป็นชั้นที่ผมอยู่เมื่อประตูลิฟเปิดออกมา <c oughs> ก็เห็นว่าข้างในไม่มีคนอยู่เลยสักคนส่วนลิฟตัวข้างๆอยู่ที่ชั้นสก็กำลังขึ้นมาเหมือนกันตอนนั้นผมได้แต่ยิ้มและยอมรับว่าเขาอาจจะมีอยู่จริงเพราะผมไม่ได้กดลิฟเลยแต่ลิฟกลับขึ้นมาหาผมเองอีกใจหนึ่งก็คิดว่ามันน่า จ, จะบังเอิญ แล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาวันไหนที่ผมจะไปทำงานสายผมก็จะคิดแบบนี้แล้วลิบก็จะมาหยุดตรงชั้นเจ็แบบนี้ทุกครั้งซึ่งมันทำให้ผมค่อนข้างมั่นใจมากขึ้นว่ามีอะไรบางอย่างอยู่กับผมด้วยและบางทีที่ผมอยู่ในห้องก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีคนอื่นอยู่ในห้องด้วยเหมือนกันด้วยความที่ผมเป็นคนขี้สงสัย ก็อยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเขามีอยู่จริงไหมและเขาเป็นใครกันแน่มันทําให้ผมคิดถึงเพื่อนข้างห้องที่ผมไม่เคยเจอหน้าเลยสักครั้งได้แต่ยินเสียงตึงตังอย่างเดียววันนั้นผมสงสัยมากอยากรู้ว่าข้างห้องนั้นมีใครอยู่กันแน่ตอนนั้นเป็นเวลาประมาณหกโมงเย็นผมก็เดินไปที่หน้าห้องข้างๆแล้วเอามือไปบิดลูกบิดประตู ตอนนั้นตื่นเต้นมากๆแล้วก็ปรากฏว่าห้องนั้นไม่ได้ล็อกผมจึงเปิดเข้าไปเมื่อเห็นสภาพภายในห้องก็แทบสุดภายในห้องนั้นไม่มีคนอยู่เลยมีเพียงเฟอร์นิเจอร์เก่าๆและมีฝุ่นเก่ออยู่เต็มห้องที่นอนก็ถูกยกออกมาวางตะแคงพาดไว้กับเตียงมีเศษกระดาษกระจัดกระจายอยู่เต็มห้องในห้องมีกลิ่นเหม็นมากเหมือนกับไม่ได้เปิดมานานแล้ว และรู้สึกเย็นเยือกไม่อยู่ที่ห้องนั้นมันเย็นกว่าปกติพอผมเดินเข้าไปในห้องพร้อมกับไฟฉายจากโทรศัพท์เพื่อตรวจดูภายในห้องก็เห็นว่ามีตู้ที่เปิดประตูทิ้งไว้มีกระถางต้นไม้เล็กๆหลายกระถางที่มีดินแห้งๆวางอยู่ที่โต๊ะเครื่องเขียนหน้าต่างถูกปิดอย่างมิดชิดแล้วเท้าของผมที่ย่ําเข้าไปในห้องนั้นก็เต็มไปด้วยฝุ่นเกาะเต็มไปหมด ผมพูดอะไรไม่ออกเดินออกจากห้องนั้นมาและกลับมาที่ห้องของตัวเองแล้วนึกย้อนไปถึงคำพูดของเจ้าของอาพาร์ตเมนต์ที่บอกว่าเหลือห้องว่างเพียงห้องเดียวแล้วนี่ละ่ะมันคืออะไรห้องก็ว่างผมไม่เคยเห็นใครออกมาจากห้องนั้นเลยได้ยินแต่เสียงมาโดยตลอดแล้วเสียงนั้นคืออะไรในหัวมีแต่คำถามอยู่เต็มไปหมดและถามตัวเองว่า ผมควรจะอยู่ห้องนี้ต่อไปอีกไหมหลังจากว่านั้นผมก็ได้แต่เก็บคำถามต่างๆเหล่านั้นไว้ไม่ได้ถามใครว่ามันคืออะไรไม่ได้หาที่มาว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันคืออะไรทุกๆวันหลังจากวันนั้นทั้งเสียงทั้งลิบและสิ่งที่พี่คนนั้นทักก็ไม่เกิดขึ้นอีกพี่คนนั้นไม่ได้ทักผมอีกเลยเสียงก็หายไป ลิฟก็ขึ้นลงเป็นปกติมันทําให้ผมยิ่งงงสงสัยและไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรทําไมถึงกลับมาเป็นปกติผมอยู่ที่นั่นต่อไปอีกสมเดือนก็ย้ายออกรวมระยะเวลาที่ผมอยู่แล้วก็ประมาณหนึ่งปีได้และก่อนที่ผมจะออกจากระพัตเม้นนั้นประมาณหนึ่งเดือนห้องข้างๆนั้นก็มีคนเข้ามาพักอาศัยอยู่แต่ลักษณะของเขา ไม่เหมือนคนทั่วไปเหมือนกับคนเบื่อโลกซึมเศร้าเดินก้มหน้าก้มตาเหมือนมีเรื่องทุกข์ใจให้คิดอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็ทำตัวเงียบๆช่วงดึกๆ ก, ก็มักจะชอบแง้มประตูห้องให้แสงไฟภายในห้องสว่างออกมาเวลาที่ผมกลับมาจากทำงานคนคนนั้นก็มักจะมองออกมาแบบน่ากลัวมาก แล้วหลังจากสิ้นเดือนนั้นผมก็ย้ายออกและก็ไม่ได้กลับไปอีกเลยซึ่งก็ไม่รู้ว่าคนที่พักอยู่ที่ห้องนั้นเป็นอย่างไรบ้างและคนที่จะมาพักห้องต่อจากผมจะได้เจอเรื่องราวอะไรแปลกๆอีกหรือไม่ ผัดสยอง